วันนี้พวกเราก็ได้มาฟังเทศฟังธรรมกันอีกครั้งหนึ่งมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีคุณค่าต่อชีวิตจิตใจของพวกเราเป็นอย่างมากเพราะจะทำให้พวกเราได้มีสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นที่ถูกต้องเพราะตอนนี้พวกเรามีความเห็นที่ไม่ถูกต้องกันที่เป็นเหตุที่ทําให้เราต้องมาทุกข์กันถ้าเราได้เรียนรู้ความจริงของตัวเราเองของสิ่งที่ เกี่ยวข้องกับเราเราก็จะหายทุกข์ตอนนี้เราไม่รู้จักความจริงของเราและความจริงของสิ่งต่างๆที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยเราเลยปฏิบัติไม่ถูกกับตัวเราเองและสิ่งต่างๆที่เรามาครอบครองมาเกี่ยวข้องด้วย การฟังทำนี้จะทําให้เราเห็นความจริงของชีวิตของเราเห็นว่าเรานี้เป็นใครกันแน่แล้วเรามาเกิดกันได้อย่างไรและเกิดแล้วเราควรจะทําอะไรกับชีวิตของเราให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ไม่ให้เกิดโทษกับตัวเรา ถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมเราจะเข้าใจผิดเราจะไม่รู้จักความจริงของชีวิตของเราว่าเราเป็นใครเป็นอะไรและเรามาเกิดได้อย่างไรและเมื่อเรามาเกิดแล้วเราควรจะทําอย่างไรกับชีวิตของเราถ้าเราฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเราก็จะ เริ่มเข้าใจความจริงของเราว่าเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นเราเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดที่ได้ร่างกายมาเพราะความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราเช่นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภัณ เรียกว่าการมตตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้บุคคลนั้นบุคคลนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรียกว่าภาวะตัณหาและอยากให้สิ่งนั้นหรือสิ่งนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้เรียกว่าวิภาวะตัณหานี่คือ เหตุที่ทำให้เราได้มาเกิดได้มามีร่างกายเพราะเมื่อเรามีความอยากเหล่านี้เราก็ต้องมีเครื่องมือเพราะใจคือเรานี้ไม่มีอะไรไม่มีรูปมีร่างไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายการที่เราจะหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ เราจึงจำเป็นจะต้องมีร่างกายกันเราก็เลยมารอรับร่างกายจากบิาดามารดาเวลาที่มิดามารดาเขามีการร่วมเพศกันเขาก็จะสร้างร่างกายขึ้นมาพอมีร่างกายเราก็มาขอรับร่างกายนี้ไปเป็นคนรับใช้เรา ร่างกายนี้เป็นคนรับใช้เราที่พ่อแม่เป็นผู้ผลิตเป็นผู้สร้างให้กับเราพอเราได้ร่างกายมาแล้วเวลาคลอดออกมาจากท้องแม่เราก็เลี้ยงดูร่างกายด้วยความเมตตากรุณาของพ่อของแม่ช่วยเลี้ยงดูร่างกายที่เราได้มาจากพ่อแม่ เพาตอนที่เพิ่งคลอดออกมาใหม่เรายัางไม่มีความสามารถที่จะเลี้ยงดูร่างกายนี้ได้ด้วยตนเองเราก็เลยพึ่งพ่อแม่ให้เลี้ยงดูร่างกายนี้ให้กับเราไปก่อนจนกว่าเราจะเจริญเติบโตขึ้นมามีความรู้ความสามารถที่จะเลี้ยงร่างกาย ได้ด้วยลำพังด้วยกำลังของเราแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่อีกต่อไปแล้วเราก็เอาร่างกายนี้ไปทำตามความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราแล้วเราก็ได้รับความสุขจากสิ่งต่างๆที่เราได้แต่ความสุข ที่เราได้รับนั้นมันเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเท่านั้นเองเป็นความสุขที่ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปเวลาหมดไปก็ทําให้เราไม่สบายใจทําให้เรารู้สึกว้าเวรรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงารู้สึกหิวโหวยรู้สึกอยากจะได้สิ่งใหม่มาทดแทน เราก็เลยต้องหาสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายมาตลอดและไม่ว่าจะได้มามากได้มาน้อยมันก็ไม่เคยให้ความอิ่มความพอกับใจของเราเลยแต่กลับให้ความอยากความหิวมาอยู่เรื่อยๆเวลาหิวเวลาอยากนี่ก็ไม่ไม่ไม่สบายใจกัน หงุดหงิดนำคาญใจกันไม่พอใจกันต้องไปหาสิ่งที่หิวที่อยากมาพอได้มาแล้วก็อิ่มเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็เกิดความหิวความอยากขึ้นมาใหม่อีกก็ต้องหาอีกเวลาหาไม่ได้ก็ทุกทรมานใจเช่นเวลาร่างกายนี้เข้าสู่วัยชรา หรือเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายพิกลพิการไม่สามารถที่จะทําตามความอยากของเราได้ความทุกข์ก็เลยเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตก็คือความตายพอตายแล้วความอยากที่มีอยู่ในใจของพวกเรา ก็ยังไม่ตายไปกับร่างกายเพราะความอยากนี้อยู่ภายในใจของพวกเราที่ไม่มีวันตายใจของพวกเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้อยากผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆตามความอยากพอร่างกายตายไปก็เหมือนกับเราเสียคนรับใช้ไปเมื่อคนรับใช้เก่า ตายไปเราก็ไปจ้างไปหาคนรับใช้คนรับใช้คนใหม่มารับใช้เราต่อเราก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่ที่พ่อแม่คนใหม่ของเราจะ <c oughs> สร้างให้กับเราแล้วพอเราได้รับเราก็กลับมาทำเหมือนเดิมอีกนี่คือวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่พวกเราติด กันอยู่ในขณะนี้โดยไม่รู้สึกตัวเราไม่รู้ว่าเราเกิดมาได้อย่างไรและเราไม่รู้ว่าเราเกิดมาเพื่อทําอะไรกันแน่เราก็เลยทำไปตามความไม่รู้ของเราทําไปตามความอยากของเราที่พาให้เราต้องไปพบกับความทุกข์ในรูปแบบต่างๆทุกข์ที่เกิดจากความอยาก ทุกที่เกิดจากการไม่ได้ทําตามความอยากทุกที่เกิดจากสูญเสียสิ่งที่อยากได้มาไปทุกที่เกิดจากความแก่ทุกที่เกิด จ, จากความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกที่เกิดจากความตายทุกที่เกิดจากการพัดพรากจากกาันนี่คือการเดินทางของพวกเราการดําเนินชีวิตของพวกเรา พวกเราเดินเข้าหาความทุกข์กันตลอดเวลาจึงไม่แปลกเลยที่ทำไมพวกเราจึงมีแต่ความเครียดกันมีแต่ความกังวลกันมีแต่ความห่วงใยกันมีแต่ความวิตกกันมีแต่ความไม่สบายใจมีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจ เพราะนี่คือการเดินทางของพวกเราการดำเนินชีวิตของพวกเราพวกเราดำเนินชีวิตเพื่อหาความทุกข์กันเพราะความหลงที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่พวกเราหากันนั้นเป็นการหาความทุกข์กันไม่ใช่เป็นการหาความสุขกันนั่นเองพวกเราจะไม่มีวันรู้ความจริงอันนี้ได้เลย จนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพบกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจารึกไว้ในหนังสือหรือในสื่อต่างๆที่เป็นเป็นแสงสว่างที่จะบอกความจริงแก่ชีวิตของเราให้รู้ว่า เราเป็นใครเรามาเกิดได้อย่างไรและเราควรจะทำอะไรกับชีวิตของเราเมื่อที่เราเมื่อเราได้มาเกิดแล้วอดีตนี้มันเราไปเปลี่ยนไม่ได้เช่นเหตุที่ทำให้เรามาเกิดกันทำให้เรามามีร่างกายกันแต่เราสามารถแก้อนาคตที่เรายังไม่ไปถึงได้ ถ้าไม่มีคำสอนเราก็จะเดินไปในอนาคตที่มีแต่ความทุกข์แต่ถ้ามีคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะสามารถเดินไปในอนาคตที่มีแต่ความสุขอนาคตที่ทำให้เราหลุดออกจากวัตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่เป็นความความรู้หรือคาสั่งสอนชนิดเดียวในโลกนี้ที่จะพาให้พวกเรามีอนาคตที่แจ่มใสมีอนาคตที่เบิกบานมีอนาคตที่เต็มไปด้วยความสุขมีอนาคตที่ปราศจากความทุกข์ถ้าเราสามารถปฏิบัติตามคำสอน ของพระพุทธเจ้าได้ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระ พ, พ, พ, พุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะมีอนาคตที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจอนาคตที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลห่วงใยอนาคตที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวอนาคตที่เต็มไปด้วยความผิดหวังอนาคตที่เต็มไปด้วยความ เสีย อ, อกเสียใจเพราะเรามีผู้นำทางที่ไม่ฉลาดนั่นเองผู้นำทางที่ไม่ฉลาดก็คือความโง่เขลาเบาปัญญาหรือความหลงความไม่รู้ความจริงของอนาคตของพวกเรานั่นเองว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าเราดำเนินชีวิตแบบนี้ ถ้าเราดำเนินชีวิตแบบที่ความหลงความไม่รู้นี้หลอกให้เราดําเนินการเราก็จะเดินเข้าสู่หาความทุกข์ชนิดต่างๆตอนนี้ความหลงมันสอนให้เราหรือพาเราไปในทางไหนกันมันก็จะพาให้เราไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส พุทพะชนิดต่างๆกันพวกเราทุกคนนี้ไม่มีใครปฏิเสธว่าว่าความสุขนั้นอยู่ที่ลาบยศสรรเสริญอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะกันไม่มีใครปฏิเสธว่าตอนนี้ไม่ได้หาลาบยศสรรเสริญไม่ได้หารูปเสียงกลิ่นรสผลทพะกันเพราะพวกเราทุกคนคิดว่านี่แหละคือวิธีหาความสุขกัน หาความสุขจากการได้เงินได้ทองได้ยศได้ตำแหน่งได้รับการสรรเสริญเยิอนยอได้รับรูปเสียงกลิ่นรสผธพะชนิดต่างๆในรูปแบบของบุคคลต่างๆของสิ่งของต่างๆมาให้เราได้เสพได้สัมผัสได้ครอบครองแล้วเราก็เกิดความสุขใจขึ้นขึ้นมา แต่เราไม่ได้มองความสุขนี้ว่ามันยาวหรือสั้นมันถาวรหรือไม่ถาวรเราไม่เคยคิดเลยว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ถาวรพอมันหมดไปเราก็รีพ้าใหม่มาแทนที่อยู่เรื่อยๆจึงเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นความสุขถาวรพอได้ไปเที่ยวแล้วพอกลับมาบ้านความสุขนั้นก็หายไป เราก็เลยออกไปเที่ยวใหม่อีกพอไปซื้อของอะไรที่เรารักเราชอบเราก็ได้ความสุขมาพอได้มาแล้วความสุขนั้นก็หายไปเราก็ไปหาซื้อของใหม่มาเพิ่มอยู่เรื่อยๆเพราะเราไม่เคยใช้ปัญญาพิจารณาถึงความสุขที่พวกเราหากันเลยว่ามันเป็นความสุขแบบไหน ถ้าใช้ปัญญาเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นความสุขแบบควันไฟควันไฟนี้พอมันลอยขึ้นมาปั๊บมันก็จางหายไปในอากาศเราก็ต้องคอยสร้างควันไฟขึ้นมาใหม่เรื่อยถ้าเราอยากจะมีควันไฟพอควันไฟนี้จางหายไปเราก็จุดควันจุดไฟอันใหม่ขึ้นมาอจุดเท่าไหร่มันก็หายไปเท่านั้น ลักษณะนี้คือความสุขที่พวกเราการหากันจึงทำให้เราไม่เคยมีความอิ่มไม่มีความพอกันกลับมีแต่ความอยากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถ้าเวลาใดเราไม่สามารถหาตามความอยากเราได้เวลานั้นเราก็เกิดความทุกข์ใจกันหรือเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เราหามาได้ เราก็เกิดความทุกข์ใจกันแล้วต่อไปร่างกายของเราก็จะแก่จะเจ็บแล้วจะตายเราก็จะเกิดความทุกข์ใจกันนี่คืออนาคตของผู้พวกเราที่เดินหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะโดยใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องม้เครื่องมือ หาความสุขให้กับเราเราจะต้องเดินเข้าสู่ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพรากจากของที่เรารักจากบุคคลที่เรารักไปนี่คือความทุกข์ของพวกเราที่เราไม่เห็นกันที่เราคิดว่าเป็นความสุขกัน ถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมไม่ได้มาได้ยินคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะเจอกับความทุกข์ไปเรื่อยๆไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้เพียงชาติเดียวตายไปเราก็จะกลับมาเกิดใหม่แล้วก็กลับมาทุกข์ใหม่อีกทุกครั้งที่เรามาเกิดเราก็จะต้องมาพบกับความทุกข์แบบนี้อยู่เรื่อยๆ จนกว่าเราจะได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนทางเดินอีกทางหนึ่งทางเดินที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขที่ถาวรความสุขที่แท้จริงแต่เป็นทางเดินที่เต็มไปด้วยขวาน้ำเป็นทางเดินที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุลาบเป็นทางเดินที่ขุกระ มีทั้งหนามมีทั้งหินมีทั้งสิ่งที่เราไม่อยากจะเดินกันแต่ถ้าเรายอมทนกับความเจ็บจากการเดินในทางนี้พอเราไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วความเจ็บต่างๆที่ได้ที่เกิดจากการเดินทางนี้มันจะหายไปหมดแล้วสิ่งที่เราจะได้รับนั้นจะเป็นความสุขที่ถาวร เป็นความสุขที่จะอยู่คู่กับใจเราไปตลอดเป็นความสุขที่จะทำให้เกิดความอิ่มความพอขึ้นมาที่จะทำให้เราไม่มีความอยากต่างๆหลงเหลืออยู่ภายในใจที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือทางที่พวกเรากาลังมาศึกษากันและน้อมนาเอาไปปฏิบัติกัน มันเป็นทางที่ไม่สุดวิสัยของพวกเราแต่มันเป็นทางที่ท้าทายต่อความรู้ความสามารถของพวกเราถ้าพวกเราไม่ยอมทุ่มเทความรู้ความสามารถให้กับการเดินทางนี้เราจะไปไม่ไหวกันถ้าเราไม่มีความตั้งใจที่แน่วแน่ถ้าเราไม่มีความอดทนต่อความทุกข์ยากลาบาก ถ้าเราไม่มีความขยันหมั่นเพียรบากบัน่นที่จะผลักดันตัวของเราให้เดินไปในทางนี้เราก็จะไปไม่ได้แต่ถ้าใครมีความตั้งใจที่แน่วแน่มีความภาคเพียรที่แก่กล้ามีความอดทนทรหดอดทนมีความเข้มแข็งต่อความทุกข์ยากลําบาก ที่เกิดจากการเดินในทางเส้นนี้ไม่ช้าก็เร็วก็จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางพอไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วผลที่ได้รับนั้นจะเป็นความสุขที่ไม่มีอะไรไม่มีสิ่งอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถให้กับเราได้แล้วความทุกข์ยากเหน็ดเหนื่อยที่เกิดจากการเดินทางบนเส้นนี้มันจะหายไปหมด มันจะเหลือแต่ความสุขอยู่กับใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือทางที่พระพุทธเจ้าทรงได้ดำเนินไปแล้วแล้วก็นำมาสั่งสอนให้พวกเราดำเนินตามถ้าพวกเราเชื่อแล้วเราอยากจะได้ความสุขแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับเราก็ต้องมีศรัทธาที่แก่กล้า มีความตั้งใจที่แน่วแน่ที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความทรหดอดทนด้วยความขยันหมั่นเพียรบากบันถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วรับรองได้ว่าอุปสรรคต่างๆที่เป็นขวากน้ำขวางกั้นนี้จะไม่เป็นปัญหาต่อการดำเนินของพวกเราเลย นี่คือทางที่พระเจ้าได้ทรงบำเพ็ญไปแล้วทางที่พระอริยสงฆ์สาวกทังหลายได้บำเพ็ญไปแล้วเราต้องดูท่านเป็นตัวอย่างแต่และองค์นี้ท่านไม่ได้ไปอย่างสุขอย่างสบายท่านไปแบบยากลำบากกันทุกองแม้แต่พระ mm hmm. พุทธเจ้าเองก็ต้องยากลำบากเพราะจะต้องเสด็จออกจากการเป็นพระราชาโอรส ต้องส ล, ลาราชสมบัติแล้วก็มาอยู่แบบขอทานอยู่แบบผู้ที่ไม่มีบ้านไม่มีช่องอยู่แบบพายนจรหาเช้าหากินไปวันวันหนึ่งด้วยการบินทะบาย ท, ที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามป่าตามเขาตามโคนไม้มีใบมุงใบไม้มีอะไรมามุงมาบัง พอกันฝนกันแดดได้ก็พอแล้วก็ไม่มีสิ่งอำนวยความสุขต่างๆทางตาหูจมูกริ้นกายไม่มีกาแฟไม่มีขนมไม่มีทีวีไม่มีอะไรให้มาบำรุงบำเรอมีแต่ความสงบสงดัดมีแต่เสียงนกเสียงกามีแต่ซาล มีมีแต่สัตว์ชนิดต่างๆที่มีทั้งที่เป็นสัตว์ ร, ร้ายและสัตว์ไม่ดุร้ายที่เป็นสิ่งที่จะต้องคอยระมัดระวังอยู่ตลอดเวลานี่คือความทุกข์ยากของผู้ที่จะเดินไปในทางนี้ถึงจะสามารถไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้ เพราะถ้าไม่ออกจากการอยู่แบบผู้ครองเรือนอยู่แบบพระเจ้าแผ่นดินอยู่แบบเศรษฐีอยู่แบบผู้ที่มีสิ่งต่างๆมีลาบมียศดมีสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสก็จะไม่สามารถไปในทางนี้ได้เพราะสิ่งต่างๆที่มีอยู่นี้จะ เป็นตัวดึงจิตดึงใจไม่ให้ออกเดินไปสู่ทางที่จะนําไปสู่ความสุขที่จะนําไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าอยู่กับลาบยศสระเสริญอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะไม่มีเวลาที่จะไปสร้างความสุขสร้างความหลุดพ้นให้แก่จิตใจด้วยการบําเพ็ญ จิตตภวนาด้วยการเจริญสีนสมาธิปัญญาดัางนั้นผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆผู้ที่ปรารถนาที่จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรจึงจำเป็นจะต้องสละลาบยศรลเสริญสละรูปเสียงกิดลดต่างๆที่ ใช้เป็นเครื่องมือให้ความสุขเพราะมันเป็นความสุขที่หุ้มด้วยหุ้มที่เป็นความความสุขที่หุ้มความทุกข์อยู่ความสุขที่เดี๋ยวก็ต้องมีความทุกข์ตามมาเพราะเป็นความสุขชั่วคราวที่เรียกว่าอ น, นิจจังไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับ เวลาความสุขดับความทุกข์ก็มาแทนที่เนถ้าเรามองถึงความทุกข์ที่เรากำลังจะต้องเจอกันเราก็จะมีกำลังใจที่จะสู้กับความทุกข์ที่เกิดจากการเดินทางที่จะพาเราไปสู่ความสุขความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเราต้องพยายามคิดอยู่เรื่อยๆถึงความแก่ความเจ็บความตาย ที่รอเราอยู่ข้างหน้าที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่เราสามารถที่จะไม่ทุกข์กับมันได้ถ้าเราสามารถปฏิบัติตามทางที่พระพุทธเจ้าได้สงสอนให้ปฏิบัติได้ถ้าเราสามารถจเจริญศีลสมาธิปัญญาได้ เราจะมีเครื่องมือไว้รับกับความแก่ความเจ็บค ว, บความตายเหมือนกับมีเกราะกันกระสุนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาใส่กันเวลาเขาออกไปทำภารกิจต่างๆเวลาถูกยิงลูกกระสุนก็จะไม่เข้าไปในร่างกาย ศีล ส, สมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาเจริญกันนี้จะเป็นเกราะคุ้มครองจิตใจของพวกเราไม่ให้ทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายไม่ทุกข์ไม่ให้ทุกข์กับการพัดพากจากสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบไม่ให้ทุกข์กับการพัดพากจากบุคคลที่เรารักที่เราชอบ นี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องเจริญกันถ้าเราอยากจะมีอนาคตที่สดใสมีอนาคตที่เต็มไปด้วยความสุขแต่เราต้องเดินบนทางที่เต็มไปด้วยขวากหนามทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคต่างๆแต่มันเป็นทางที่ไม่ใช่สุดวิสัยของมนุษย์อย่างพวกเราที่จะดำเนินกันได้ทุกคน ขอให้เรามีความศรัทธาความเชื่อว่าเป็นทางที่จะทำให้เรานี้มีอนาคตที่แจ่มใสมีความสุขไปตลอดไม่มีความทุกข์อีกต่อไปถึงแม้ ว, ว่าจะทุกข์จะยากลำบากอย่างไรขอให้เราทำไปเถิดแล้วเดี๋ยวพอเราได้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วความทุกข์ยากลำบากต่างๆที่เราเผชิญกันมันก็จะหมดไป เหลือแต่ความสุขไปตลอดเมื่อเราถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราไม่ต้องเดินทางอีกต่อไปแต่ถ้าเรามาทางที่เรากำลังดำเนินกันอยู่นี้เราจะเดินทางกันไปอยู่เรื่อยเราจะเดินทางรอบวงเวียนของการเกิดแก่เจ็บตายเริ่มต้นที่เกิดแล้วก็ไปที่แก่แล้วก็ไปที่เจ็บแล้วก็ไปที่ตาย พอถึงที่ตายก็กลับมาที่เกิดใหม่เองเราก็จะวนอยู่ที่วงเวียนนี้ไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเราได้เดินมาแล้วไม่รู้กี่ล้านรอบแล้วเราก็จะต้องเดินอย่างนี้ต่อไปอีกไม่รู้กี่ล้านรอบจนกว่าเราจะสามารถดึงจิตใจของเราให้เดินไปในทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดําเนินไป และสรงสอนให้พวกเราดำเนินกันนั่นก็คือการไปเจริญศีลสมาธิปัญญากันการจะเจริญศีลสมาธิปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพมีอย่างประสิทธิผลก็ต้องเจริญแบบพระพุทธเจ้าและเจริญแบบพระสาวกทั้งหลายก็คือต้องสละเรือนกัน ออกจากเรือนไปอยู่แบบนักบวชกันไปอยู่ถือศีลของนักบวชไม่ใช่เพียงศีลห้าผู้ที่ต้องการไปสู่ความดุดพ้นจากความทุกนี้ต้องไปในระดับศีลแปดขึ้นไปศีลแปศีลสิบศีลสองยิบเจ็ดศีลสามร้อยกว่าข้อนี่นี่คือเป็นศีลของผู้ที่จะไปสู่ นิพานกันไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดกันแล้วก็ต้องรักษาอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาไม่ใช่รักษาเฉพาะวันพระเพียงวันเดียวที่ให้รักษาวันพระเพียงวันเดียวนี้สําหรับผู้หัดใหม่เพื่อร่มต้นผู้ที่ยังไม่เคยรักษาศีลแปดก็ลองมารักษาในวันพระกันดู ทดสอบกำลังดูว่ารักษาได้ไหมถ้าลองทดสอบแล้วรับรองได้ว่ารักษากันได้ทุกคนอยู่ที่ว่าอยากจะรักษาหรือไม่รักษาเท่านั้นเองทุกคนสามารถรักษาศีลแปดได้ถ้าต้องการจะรักษาจริงๆแต่ที่ไม่รักษากันก็เพราะถูกความหลงคอยหลอกคอยล่อว่า รักษาไม่ไหวไม่มีกำลังไม่มีเวลาจี ป, ปาทะนี่คือลักษณะของคนที่ไม่อยากจะรักษาจะมีเหตุผลมาอ้างไม่ให้รักษากันถ้ามีเหตุผลแบบนี้แล้วไม่รักษากันก็ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปไม่มีวันที่จะไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าอยากจะ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องกล้ารักษาศีลกันรักษาศีล น, นักบวชกันรักษาศีลแปดกันเอตอนต้นก็ลองรักษาศีลแปดกันไปนวันพระก่อนแล้วพอรักษาได้ก็เพิ่มขึ้นไปจากวันพระเป็นสองวันจากสองวันเป็นสามวันจากสามวันเป็นสี่วันเอ แล้วต่อไปก็จะรักษาได้ทุกวันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรปัญหาอยู่ที่ว่าเรายินดีที่จะรักษาหรือไม่รักษาเท่านั้นเองถ้าเรายินดีจะรักษาที้ทำไมจะรักษาไม่ได้กันที่เราไม่รักษากันก็เพราะว่าเราไปยินดีรักษาอย่างอื่นแทนกันเลยไม่มารักษาศีลแปดกันรักษาแฟนกันแทนที่จะรักษาศีลแปดกัน อย่างวันก่อนมีท่านหนึ่งถามมาว่าเป็นสามีภรรยากันแล้วถ้ารักษาศีลแปล ก, ก็จะทําให้สามีหรือภรรยาเขาไม่พอใจจะทำอย่างไงดีก็ต้องเลือกเอาว่าจะเอาอะไรดีถ้าจะเอาศีลแปด ก, ก็ต้องสละสามีสละภรรยาไปถ้าเขาไม่อยากจะอยู่กับเราเพราะเขาไม่สามารถร่วมเพศกับเราได้ ก็อยากจะไปร่วมเพศกับคนอื่นก็ปล่อยเขาไปเราเอาศีลดีกว่าเพราะศีนี้จะพาเราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์แต่สามีภรรยานี้จะพาเราไปสู่ความทุกข์ต่อไปเวลาที่สามีหรือภรรยาเขานอกใจเราเราก็ต้องเสียอกเสียใจร้องหม่มร้องไห้เวลาที่เขาตายจากเราไปเราก็ต้องเสียอกเสียใจ เวลาอยู่แล้วทะเลาะกันเราก็เสียอกเสียใจนี่คือทางที่เราเลือกกันเองโดยที่เราไม่ใช้ปัญญาชั่งน้ำหนักดูว่าอย่างไหนจะทุกข์มากกว่ากันอย่างไหนจะสุขมากกว่ากันถ้าเราพิจารณาทางของศีลนี่มันสุขกว่าเพราะว่าเราจะอยู่คนเดียวได้เราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับสามีไม่ต้องมาทุกข์กับภรรยาเขา จะเป็นยังไงก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกับเราแต่ถ้าเราไม่รักศีลเรารักสามีรักภรรยาเราก็จะไม่สามารถที่จะรักษาศีลของนักบวชได้เราก็จะไม่สามารถไปบวชได้เพราะการรักษาศีลก็เพื่อที่จะให้เราสามารถรักษาได้ตลอดเวลารักษาได้ทุกวันทุกเวลา วิธีที่จะรักษาศีลได้ตลอดเวลาก็คือต้องไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดําเนินชีวิตของคาลวสนั่นเองก็ต้องไปอยู่แบบนักบวชไปอยู่เป็นนักบวชไปบวชเป็นพระบวชเป็นชีกันแล้วจะได้รักษาศีลได้อย่างตลอดเวลาแล้วก็จะทำให้มีเวลาที่จะมา ทำลายตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจตัวที่ฉุดลากให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดกันนั่นก็คือกามตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหานี่เองนี่คือฆ่าศึกศัตรูที่พวกเราจะต้องไปฆ่าให้ได้แต่จะฆ่ามันได้เราก็ต้องมีอาวุธอาวุธที่จะฆ่าฆ่าศึกศัตรูสามตัวนี้ได้ก็คือ สติสมาธิและปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบและทรงนำไปใช้ในการฆ่าฆ่าศึกศัตรูของพระองค์จนไม่มีหลงเหลืออยู่ในพระทัยของพระองค์เลยพระองค์เลยไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเหมือนอย่างที่พวกเรากําลังเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่ในขณะนี้พระองค์ทรงเห็นประโยชน์ของอาวุธ ของศีลสติสมาธิปัญญานี้จึงไม่เก็บเอาไว้เฉยๆไม่เก็บไว้เฉพาะของพระองค์เองทรงเสียสละเวลา45ปีด้วยกันหลังจากที่ได้ทรงตัดสรุทรงตัดสรุในขณะที่มีพระชนมายุ3 5พันษาและหลังจากนั้นพระองค์ก็ใช้เวลาทั้งหมด45ปีจนถึงอายุ8 0พ0รษา มาเอาความรู้ในการสร้างศีลสติสมาธิปัญญานี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังถ้ามีศรัทธาแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้ <c oughs> ก็สามารถที่จะทำลายข้าศึกศัตรูที่มีอยู่ในใจของเขาได้หมดไป ทำให้เขาไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเขาเหล่านั้นจึงมีชื่อเรียกว่าพระอาหารหันตสาวกคำว่าพระอาหารหันนี้แปลว่าผู้สิ้นการเวียนว่ายตายเกิดผู้สิ้นทุกผู้สิ้นกิเลสตัณหานั้นเองไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีการมตัณหาภาวะตัณหา วิภาวะตัณหาหลงเหลืออยู่ภายในใจคำว่าสาวกนี้แปลว่าผู้ฟังคือเป็นเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาได้ด้วยจากการเป็นผู้ฟังคือต้องมีคนสอนเพราะถ้าไม่มีคนสอนจะไม่รู้เองไม่เหมือนกับพระอาหารหันตะสัมมาสาัมพุทธเจ้า ว่าอารันต์สัมมาสามพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่เป็นพระอาหารหันต์ได้ด้วยตนเองไม่มีใครสั่งไม่มีใครสอนเป็นผู้ศึกษาเป็นผู้ค้นคว้าความจริงของตนของจิตใจของตนได้ด้วยตนเองค้นคว้าจนพบว่าสาเหตุที่ทำให้ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายต้องมาทุกข์กับสิ่งต่างๆนี้ก็คือ กามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหานี่องพอได้ส่งค้นพบและได้ส่งค้นพบอาวุธที่จะมาทำลายก็ได้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาส่วนผู้ที่ได้เป็นพระอาหารหันด้วยการได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ได้เรียกว่าเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แตเรียกว่าพระอรหันต์ตถาวกนีแต่ความเป็นพระอรหันต์นี้เท่ากันคือความไม่มีกิเลสตัณหาอยู่ภายในใจนี้เหมือนกันการไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดนี้เหมือนกันการไม่มีความทุกข์ต่างๆนี้เหมือนกันไม่ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่สถานภาพของการได้เป็นพระอรหันต์ว่าเป็นได้ด้วยตนเอง <c oughs> หรือเป็น ได้เพราะผู้อื่นสั่งสอนเป็นได้ด้วยจากการได้ยินได้ฟังเนี่ยคำว่าสาวกก็คือผู้ฟังสาวกนี้ต้องมีอาจารย์อาจารย์กับสาวกนี้เป็นของคู่กันอาจารย์เป็นผู้สอนสาวกเป็นผู้ฟังพระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งผู้สอนสาวกเป็นผู้ฟังพอฟังแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัต กลายเป็นผู้คลองเรือนมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมีบุตรทิดามีสามีภรรยาก็สละทิ้งไปหมดแล้วก็ออกบวชไปรักษาศีลแปดศีลสิบศีลสอง้อยยี่บเจ็ดศีลสามร้อยกว่าข้อตามสถานภาพของนักบวชแล้วก็ทุ่มเทเวลาให้กับการเจริญสติเพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆ เพราะความคิดปรุงแต่งนี้เป็นเครื่องมือของตัณหาทั้งสามนี่เองคือกามาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาเวลาคิดกามาตัณหาก็จะตามมาภาวะตัณหาก็จะตามมาวิภาวะตัณหาก็จะตามมาแต่เวลาหยุดคิดด้วยสติภาวะตัณหากามาตัณหาวิภาวะตัณหาก็จะสงบตัวลงทำงานไม่ได้ความคิดนี้ก็เปรียบเหมือนกับรถยนต์ คนที่โดยสารรถยนต์นี้จะไปไหนมาไหนได้รถยนต์ต้องวิ่งถึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้แต่ถ้ารถยนต์จอดเช่นไม่มีน้ำมันหรือไม่มีกุญแจสตาร์ตเครื่องไม่ติดผู้โดยสารที่อยู่ในรถก็ต้องนั่งอยู่ในรถไปไหนไม่ได้ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปความคิดก็เช่นเดียวกันถ้าไม่คิดนี้ตั้หาความอยากก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ ถ้าไม่คิดถึงแฟนก็จะอยากอยู่อยากนอนกับแฟนก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้คิดถึงกาแฟอยากจะดื่มกาแฟก็ไม่ได้เวลาอยู่กับพุทโธพุทโธคิดอยู่กับพุทโธพุทโธใจก็จะไม่มีความอยากต่างๆอันนี้คือสิ่งแรกที่เราต้องมาทำกันให้ได้ก็คือสร้างสติกันขึ้นมาเพราะว่าถ้าเรามีสติแล้วเราจะหยุดความคิดได้ แล้วพอเราหยุดความคิดได้เราก็จะทำใจให้สงบให้รวมเป็นหนึน่งให้เป็นสมาธิได้ให้ใจหยุดคิดได้อย่างเต็มที่พอหยุดคิดอย่างเต็มที่ความอยากต่างๆก็จะสงบตัวลงไปไม่มีไม่ไม่มีอาการต่างๆของความอยากใจก็จะพบกับความสุขที่แปลกประหลาดมหาจรย์เวลาความอยากไม่ทำงานนี้ ใจจะมีความสุขมากอันนี้ขั้นแรกของการต่อสู้กับความอยากตอนตอน้นต้องหยุดมันก่อนพอหยุดมันได้แล้วขั้นต่อไปก็ต้องฆ่ามันเวลาจะฆ่ามันนี้ฆ่ามันตอนไหนก็ฆ่ามันตอนที่มันโผล่ขึ้นมาหลังจากที่เราเข้าไปในสมาธินี้กิเลสมันก็จะถูกเหมือนกับถูก ถูกฉีดยาสลบนะพอเราออกจากสมาธิมาก็เหมือนกับมันจะฟื้นขึ้นมาพอเวลากิเลสฟือนขึ้นมาปับ๊บตอนนั้นเราก็เอาปัญญามาฆ่ามันเลยพอออกมาจากสมาธิอยากจะกินกาแฟก็บอกเลยว่ากินแล้วต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเนะวียนแล้วต้องไปกินอนะีกนกินไม่ใช่กินเต่เพอชาตินี้นะ มันจะต้องกินไปอีกไม่รู้กี่ล้านชาติจะต้องกลับม า, เ ก, มากกบเกิดมากินกาแฟเกิดมาถ้าคิดถึงแฟนอยากจะไปร่วมหลับนอนกับแฟนเดี๋ยวก็ต้องกลับมานอนกับแฟนอยู่เรื่อยๆนะกลับมาก็ต้องมีร่างกายถึงจะนอนกับแฟนได้พอมีร่างกายเดี๋ยวมันก็ต้องแก่มันก็ต้องเจ็บมันก็ต้องตายนะให้คิดอย่างนี้ด้วยปัญญาให้คิดว่าการทําตามความอยากนี้เป็นการพาไปสู่การ เวียนว่ายตายเกิดพาไปสู่ความทุกข์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือการใช้ปัญญาเวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วพอมันอยากอะไรปั๊บก็ต้องสอนให้มันหยุดให้ได้ถ้าสอนให้มันหยุดได้ต่อไปความอยากก็จะหมดฤิดมันก็จะไม่สามารถลากให้เราไปสร้างภพสร้างชาติไปสร้างความทุกข์ต่างๆให้แก่ใจของเราได้ ใจของเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเลยเพราะเรามีเครื่องมือที่มาทำลายมีอาวุธที่จะมาทำลายข้าศึกศัตรูของพวกเราคือกามะตัญหาภาวะตัญหาและวิภวะตันหานี้มันจะตายได้ด้วยอาวุธของที่พระพุทธเจ้าได้ทรงคนพบเท่านั้น คือธรรมอาวุธคือศีลสมาธิปัญญาศีลสติสมาธิปัญญานี่คืออาวุธที่สาคัญไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถฆ่าตันหาความอยากต่างๆได้แม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์ที่ร้ายกาจขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะฆ่าความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราได้มันจะฆ่าได้ก็เพียงแต่ร่างกาย และสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเจ้นเวลาที่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเขาทิ้งระเบิดปรามานูลงไปเนี่ยบ้านช่องนี้พังหมดเลยคนนี้ตายเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ตันหาความอยากที่อยู่ในใจของคนที่ตายเป็นหมื่นเป็นแสนนี้มันไม่ตายไปด้วยพวกที่ร่างกายที่ถูกตายด้วยระเบิดปรามานูนี้ก็กลับมาเกิดใหม่ เพราะตัณหาความอยากมันอยู่ในใจใจก็เป็นสิ่งที่ไม่ตายไม่มีอะไรจะทำลายใจไดไ้แล้วก็ไม่มีอะไรจะทำลายความอยากที่มีอยู่ภายในใจได้นอกจากธรรมอาวุธของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นดังนั้นถ้าพวกเราอยากจะมีอนาคตที่แจ่มใสมีอนาคตที่เบิกบานมีอนาคตที่มีแต่ความสุขที่ ไม่มีวันสิ้นสุดเมียนาคตที่ไม่มีความทุกข์เราต้องมาสร้างอาวุธที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราสร้างกันให้พวกเราสละทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองต่างสละสถานภาพของการเป็นผู้ครองเรือนแล้วก็ไปบวชกันไปรักษาศีลกันไม่ปเจริญสติกันไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบกัน แล้วพอออกจากสมาธิมาพอตันหาความอยากมันโผล่ขึ้นมาก็ใช้ปัญญาสู้กับมันสอนมันว่าอย่าไปทําตามความอยากความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุ ข, ของการเกิดแก่เจ็บตายต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดสอนไปทุกครั้งเวลามันอยาก พอรู้ว่าถ้าเราไม่อยากจะไปเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องไม่ทําตามความอยากโดยเด็ดขาดอยากจะดื่มกาแฟก็ไม่ดื่มอยากจะไปนอนกับแฟนก็ไปไม่ไปอยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่ไปอยากจะได้อะไรก็ไม่เอาอยากจะได้ลาบยศสรรเสริญก็ไม่เอาต้องการอย่างเดียวต้องการข่าความอยากนี้เท่านั้นเพราะเวลาความอยากมันไม่ทำงานนี้มันแสนจะสุขแสนจะสบาย สุขมากกว่าการได้สิ่งต่างๆตามความอยากถ้าเรายังไม่เคยพบกับความสงบเวลาที่กิเลตตันหาหยุดทางานนี้เราจะไม่เห็นคุณค่าของความสงบเห็นคุณค่าของความสุขเราจะไม่รู้ว่ามันมีคุณค่าขนาดไหนนั่นเองเราจึงต้องทำใจของเราให้สงบก่อนด้วยการใช้สติหยุดความคิดหยุดความคิดได้ก็จะหยุดความอยากได้ พอความอยากหมดไปชั่วคราวนี้ความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีอะไรในโลกนี้จะเทียบเท่าได้ก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วมันจะทำให้เราสามารถที่จะหยุดความอยากต่างๆได้เพราะการทำตามความอยากต่างๆจะได้ความสุขที่สู้ความสุขที่เรามีอยู่จากการหยุดความอยากไม่ได้เราก็มาหยุดความอยากกันดีกว่า แทนที่ไปทำตามความอยากกันแล้วได้ความสุขประเดียวประดาวแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็จะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วก็ความอยากก็จะหายไปจะหมดกาลังไปในที่สุดจะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่แล้วก็ไม่ต้องทาอะไร อยู่ที่ไหนอยู่ที่ลายอยู่ในท่าใดในอยู่ในเอเรียาบทใดจะมีกินหรือไม่มีกินจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรนี้ไม่เป็นปัญหาเลยความสุขในใจนี้จะเป็นของที่อยู่เป็นประจำอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายความสุขอันยิ่งใหญ่นี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมใครจะจากเราไป ก็ความสุขการนี้ก็เหมือนเดิมอะไรจะจากเราไปก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงความสุขอันยิ่งใหญ่นี้ได้ความสุขที่อยู่กับเราไปตลอดจนไม่มีวันสิ้นสุดยังไม่มีวันสิ้นสุดนี่เกิดจากการที่เราได้มาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมกันมาเรียนรู้ความจริงของชีวิตของพวกเราว่า เรากำลังมาหาความสุขหริ่มาหาความทุกข์กันและทางที่พาให้เราไปหาความทุกข์นั้นคืออะไรทางที่พาให้เราไปหาความสุ ข, ขนั้นคืออะไรเมื่อเรารู้แล้วว่าทางที่พาเราไปสู่ความทุกข์ก็คือทางของราบยศสละเสริญทางของความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายเราก็ต้องถอยหลังเข้าเกียร์ถอยหลังไม่ไปในทางนั้นกลับรถ แล้วหันไปในทางที่พาไปสู่ความสุขที่แท้จริงทางที่พาไปสู่ความสุขที่แท้จริงก็ทางแห่งศีลสมาธิและปัญญาที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญกันได้ดำเนินกันได้ไปถึงกันทางนี้ใครไปก็ได้ไม่มีใครห้ามเป็นหญิงเป็นชายไปได้เป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวช ก, ก็ไปได้ เป็นชาวต่างประเทศเป็นชาวไทยก็ไปได้ไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใดไปได้ทุกคนอยู่ที่ว่าอยากจะไปหรือไม่อยากจะไปเท่านั้นเองอยู่ที่มีความพยายามที่จะไปหรือไม่อยู่ที่มีความอดทนที่จะทนกับความทุกข์ยากลำบากที่เกิดจากการเดินไปในทางนี้หรือไม่เท่านั้นเองถ้ามีความตั้งใจมีความแน่วแน่มีความ ยินดีมีความอดทนมีความมุมานะมีความภาคเพียรบากบัน่นรับรองได้ว่าไปได้กันทุกคนและจะได้ผลเช่นเดียว ก, กันกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกนี้ได้ผลเหมือนกันถึงแม้เวลาจะผ่านมาต้อง 2,500 กว่าปีแล้วทางนี้ก็ยังเป็นทางอันเดิมอยู่เป็นทางที่จะพาให้ผู้เดินนี้ไปถึงจุดหมายปลายทาง ได้เหมือนกันสมัยที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านได้ดำเนินกันไปเป็นทางันเดียวกันเวลานี้ไม่สามารถมาเปลี่ยนทิศทางของเส้นทางนี้ได้เส้นทางนี้จะพาไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์เพียงอย่างเดียวเส้นทางนี้จะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรเส้นทางนี้จะนำไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ขอให้เรามีความมั่นใจได้และขอให้เราบากมันผักดันตัวเราให้เดินไปในทางนี้ให้ได้เถอะแล้วผลที่พระพุทธเจ้าและพระ ส, สาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลที่เราได้รับเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมมาเรียนรู้ความจริงของชีวิตของพวกเรา ว่าเรามาเกิดได้อย่างไรและเราควรจะใช้ชีวิตของเราให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดได้อย่างไรนี้ให้ท่านได้นํำมาไปเพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญและความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ลาดับตอบไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามขอเชิญขึ้นมาถามได้ทางไมโครโฟนนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เไดกประชุมแล้วจะของดตอบปัญหาถ้าอยากจะถามขอให้ถามในช่วงนี้ถ้ายังไม่มีคำถามจะให้พิธีกรนำเอาคำถามจากทางบ้านมาถามก่อน คำถามจากทางบ้านจากคุณยิ่งพัน์ผมฝึกแยกธาตุขันจนเข้าใจด้วยความคิดวิเคราะห์ว่าสิ่งต่างๆไม่เที่ยงไม่ใช่ของจริงให้ยึดได้แต่เมื่อลงสังเวียนชีวิตจริงก็ยังพ่ายแพ้สิ่งต่างๆที่รับรู้มันช่างดูเป็นของจริงจึงทุกจริงขอคำแนะนำพระอาจารย์ช่วยชี้แนะ ให้ตัดให้คลายให้เกิดปัญญาในเวทีชีวิตจริงได้ดีขึ้นครับที่เราตัดไม่ได้ก็เพราะเราไม่มีกำลังนั่นเองกำลังที่จะตัดสิ่งต่างๆออกจากใจได้นี่คืออุเบกขาอุเบกขานี่ต้องเกิดจากการเจริญสติทำจิตให้รวมเป็นสมาธิพอจิตรวมเป็นสมาธิแล้วจิตจะมีอุเบกขาจะเฉยได้ เวลาเกิดเหตุการณ์สูญเสียสิ่งต่างๆไปก็จะไม่เต้นรง้งเต้นกาจะเฉยสักแต่ว่ารู้ได้ถึงแม้จะมีปัญญาบอกว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่มันไม่มีกำลังที่จะสู้กับความหลงที่มันยังจะหลอกให้เราเต้นรง้งเต้นกาอยู่แต่ถ้าเรามีอุเบกขาเรามีกำลังกดความหลงไว้ พอเราใช้ปัญญาปัญญาก็สามารถที่จะทำลายความหลงได้ทำลายความวุ่นวายของใจทำลายความทุกข์ต่างๆได้ดังนั้นเราต้องมีทั้งสองส่วนมีทั้งปัญญาและมีทั้งสมาธิถึงจะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆกำจัดกิเลสต่างๆที่สร้างความทุกข์ต่างๆให้กับใจของเราได้มีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่พอ ต้องมีทั้งสองอย่างปัญญาถึงจะเป็นเรียกว่าภาวนามายปัญญาปัญญาที่มีภาวนาสนับสนุนก็คือสมะถะภาวนาสนับสนุนปัญญาถ้ามีสองอย่างนี้แล้วก็จะสามารถที่จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างไม่รู้สึกสะทกสะทานไม่สะเทือนใจแต่อย่างใดคำถามจากคุณธนภา ในขณะที่เรานั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกและเรารู้ลมหายใจเข้าแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้ความฟุ้งซ่านที่มันเกิดดับไปด้วยแบบนี้ควรแก้อย่างไรคะให้รู้อยู่ที่ลมเพียงอย่างเดียวอย่างอื่นอย่าไปสนใจถ้ามันจะแทรกเข้ามาบ้างก็อย่าไปสนใจให้เกาะติดอยู่กับลม ถ้าเรากาติดอยู่กับลมไปเรื่อยๆเดี๋ยวสิ่งต่างๆที่มันแทรกเข้ามามันก็จะหายไปคําคำถามจากคุณจันดาลาทำอย่างไรถึงจะไม่เกียดครานในการปฏิบัติครับคิดถึงความตายบ่อยๆคิดว่าวันนี้อาจจะเป็นวันที่เราจะต้องตายก็ได้คนเราไม่รู้หรอกว่าจะตายกันเมื่อไหร่อยู่ๆดีๆก็ตายกันปุ๊บปั๊บขึ้นมา เห็นไหมคุณเจรันที่เคยมาฟังเทศฟังธรรมอยู่อย่างต่อเนื่องทุกเสาร์วัอาทิตย์ตอนนี้เธอก็ตายไปแล้วเป็นมะเร็งในตับบ้งเพราะฉะนั้นให้คิดถึงความตายของคนอื่นที่ปรับแล้วเราก็ย้อนกลับมาที่ตัวเราว่าเราก็อาจจะปรับแบบเขาก็ได้เราอย่าไปคิดว่าเราจะตายในอายุ80 90 ก็ไม่มีใครรับประกันได้แม้แต่บริษัทประกันชีวิตเขาก็ไม่ประกันชีวิตของเราเขาประกันการสูญเสียที่เกิดจากการเสียชีวิตของเราคือประกันเงินทองให้เท่านี้ว่าถ้าเราตายไปแล้วลูกเมียคนอยู่ที่หลังก็ยังไม่เดือดร้อนมีเงินมีทองแต่บริษัทประกันชีวิตนี้เขาไม่ประกันชีวิตเขาประกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียชีวิต และนั้นให้คิดถึงความตายบ่อยๆแล้วเราจะได้ไม่ประมาทนอนใจคําถามจากคุณป้าฝากถามว่าเวลานั่งสมาธิแบบขัดสมาธิแล้วปวดเข่ามากขอเปลี่ยนเป็นนั่งพับเพียบหรือนั่งเก้าอี้แทนได้ไหมคะได้แต่ผลมันจะได้ไม่เท่ากันผลมันจะสู้นั่งขัดสมาธิไม่ได้แต่ถ้ายัางนั่งขัดสมาธิไม่ได้นั่งเก้าอี้ไปก่อนก็ได้ ให้สติมีกำลังมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นแล้วต่อไปก็นั่งขัดสมาธิได้ตอนนี้ใจเรายังอ่อนใจเรายังอ่อนไว้ไปกับความเจ็บของร่างกายทำให้ไม่มีสมาธิเวลานั่งนั่นเราต้องฝึกนั่งแบบสบายไปก่อนก็ได้จนกว่าเรามีสติมีสมาธิมีกำลังที่จะสู้กับความเจ็บได้ล้วค่อยไปนั่งขัดสมาธิในลาดับต่อไป รวดเร็วทันใจอ่าขึ้นมาถ้าอยากจะถามขึ้นมาสงสยัยจะขอเรียนถามพระอาจารย์นะครับคือคุณแม่คุณแม่ได้ทำสมาธิแล้ๆหนยครับคุณแม่คุณแม่ได้ทำสมาธินะครับแล้วก็แต่จะเดิมที่ทำก็ได้มองจิตก็อยู่ที่ฐานจิตโดยที่ มองไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วมันมันหายไปค่อยๆหายไปทางคุณแม่เล่าเล่ามาว่ า, อามองจนหายไปแล้วก็รู้สึกว่าเย็นๆแล้วหลังๆนี้มีลักษณะก็คือว่าได้ยินเสียง มือนกัเสียงสวดมนต์อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าคิดว่าจะได้ยินก็ได้ยินแต่ที่ว่าจะไม่อยากได้ยินแล้วก็ไม่อยากแต่ตอนยินยินหรือว่าตอนค่ำค่าอย่างนี้ที่ที่นิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่เขาก็จะได้ยินคําถามอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าคุณแม่ควรจะทําอย่างไรต่อไปครับก็ไม่ควรนั่งดูจิตอควรนั่งดูลมหายใจหรือนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธไปเพราะถ้าดูจิตนี้มันจะไม่สงบอ คือเห็นว่าทางด้านเวลาบริกรรมพุดโธแล้วหายไปด้วยแล้วครับหงหรือว่าให้ให้ถอนออกมาใหม่แล้วก็บริกรรมใหม่หรือว่าถ้ามันถ้ามันสงบก็ไม่ต้องบริกรรมถ้ามันสงบมันนิ่งมันว่างมันสบายก็มันได้สมาธิมันนิ่งก็จบแตถ้ามันไม่นิ่งมันยังเห็นนู่นเห็นนี่ได้ยินส o n g ได้ยินเสียงอยู่ก็บริกรรมต่อไป หมายว่าขณะถ้าได้ยินเสียงนั่นคือไม่ถูกต้องแล้วไม่ถูกต้องยังไม่สงบพอไม่ควรจะหยุดภาวนาต้องภาวนาต่อต้องบริกรรมพุทโธต่อไปเหมือนกินข้าวยังไม่อิ่มท้องมันบอกว่ายังไม่อิ่มขอกินอีกหน่อยออก็ต้องกินต่อไปกินไปจนกว่ามันจะอิ่มถ้าอิ่มแล้วทุกอย่างมันจะหายไปหมดมันจะว่างมันจะเบาจะเย็นจะสบายครับการครับเออ่ คำถามจากทาง Facebook Live นะครับจากคุณมินนี่นะครับกิเลสใช้ความคิดเป็นเครื่องมือแสดงว่าคนมีปัญญามากถ้าใช้ความคิดในทางโลกมากก็เหนื่อยมากโง่มากกว่าคนปัญญาน้อยคิดน้อยแต่ใช้ความคิดในทางธรรมมากกว่าใช่ไหมคะใช่ความคิดนี้ใช้ไปได้สองทางใช้ในทางธรรมหรือทางโลกใช้ในทางกิเลสหรือทางธรรม ถ้าใช้ในทางกิเลสต่อให้สร้างระเบิดปรามนูมันก็เป็นโทษมันเป็นทุกข์เพราะจะไปทำบาปไปฆ่าผู้อื่นแต่ถ้าคิดในทางธรรมนี้จะคิดไปในทางเมตตากรุณามุดิตาอุเบกขาจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจะไม่เบียดเบียนกันคำถามชะคุณสินีนะครับ ขออุบายธรรมพระอาจารย์ในการรักษาการทำทานศีลภาวนาให้ตลอดลอดฝั่งด้วยค่ะก็ต้องมันทำอยู่เรื่อยๆทำให้มันติดเป็นนิสัยเช่นควรจะทำทานทุกวันจะทำในรูปแบบไหนก็ได้มีพระมาจะใส่บาตรทุกวันก็ได้ไม่มีพระมาจะให้ขอทานก็ได้ให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้ให้ใครก็ได้ หรือจะเก็บใส่ในกระป๋กไว้รอวันไหนมาวัดก็เอาเงินที่ใส่ในกระป๋กมาถวายวัดก็ได้เอขอให้ทําทุกวันแล้วมันจะติดเป็นนิสัยแล้วมันจะอะจะทําง่ายแล้วจะไม่หลงไม่ลืมคนบางคนนี่เขาเคยใส่บาททุกวันวันไหนเขาไม่ทันพระนี่เขาบางทีต้องขับรถมาที่วัดเพราะเขาเตรียมอาหารเตรียมข้าวเตรียมของไว้แล้ว ดัง้นพยามทำให้มันเป็นนิสัยถ้าไม่ทำเป็นนิสัยมันก็ล้มลุกคุกคานเดี๋ยวมันก็ลืมเดี๋ยวมันก็ไม่ทำพอไม่ทำหลายหลายวันมันก็เลยจะติดเป็นนิสัยไปไม่ทำไปไม้ว่าจะทำอะไรก็ตามขอให้พยายามบังคับให้มันทำตอนต้นนี้ต้องบังคับใหม่ๆมันไม่เป็นนิสัยต้องบังคับมันไม่ชอบมันไม่ทำทานเป็นนิสัยก็บังคับให้มันทำให้เป็นนิสัย รักษาศีลก็เหมือนกันถ้ามันไม่รักษาเป็นนิสัยก็ต้องพยายามบังคับให้มันรักษาไปให้มันติดเป็นนิสัยไปภาวนาก็เหมือนกันถ้ามันไม่ภาวนาให้เป็นนิสัยก็ภาวนาให้เป็นนิสัยภาวนาทุกวันจะวันละกี่ครั้งกี่กี่รอบใจสั้นจะยาวก็สุด แ, แต่ก็ขอให้ทำไปให้เป็นนิสัยทำจากน้อยไปหามากก่อนตอนต้นก็ทำเท่าที่เราทาได้ พอทําไปแล้วเห็นผลดีที่เกิดจากการกระทําแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเองทําทานตอนต้นอาจจะเอาวันละ10บาทก่อนก็ได้วันละหบาทก่อนก็ได้ทําไปแล้วมันมีความสุขใจเพิ่มมากขึ้นก็เพิ่มไปเองรักษาศีลตอนต้นเอาแค่ข้อเดียวก่อนก็ได้เอาข้อไหนก็ได้ให้มันได้สักข้อหนึ่งทุกวันแล้วก็เพิ่มเป็นสองข้อสมข้อไปเดี๋ยวก็ได้8ข้อเดี๋ยวก็ได้220ร้อยยี่ข้ออะไรเงี้ย เดี๋ยวก็ไปบวชได้อย่างสบายภาวนาตอนต้นอาจจะนั่งแค่สิบห้านาทีนั่งวันละครั้งต่อไปก็เพิ่มเป็นสองครั้งเพิ่มเป็นสามสิบนาทีเพิ่มมันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะไปได้ของมันเองอย่าไปทำมากเกินกำลังของเราทำไม่ได้แล้วมันจะท้อแล้วมันจะไม่อยากทำาะฉะนั้นพยายามทำจากง่ายไปหายากทำบุญได้วันละบาทก็ยังดีกว่าไม่ทาเลย ถึงแม้จะทําแค่วันละบ่ายก็ทําไปเถอะดีกว่าไม่ทําเลยแล้วเดี๋ยวมันก็เพิ่มขึ้นไปเองคือความหมายก็คือหัดทําให้มันเป็นนิสัยถ้ามันเป็นนิสัยแล้วมันถึงเวลามันจะทําของมันเองเหมือนกินกาแฟเป็นนิสัยไหมตื่นขึ้นมาปั๊บลืมตาขึ้นมาหากาแฟก่อนนะไม่ต้องมีใครเชิญไม่ไม่ต้องใครมีใครชวน ยังตายยังไม่ทันลืมเลยมือคว้าหากาแฟนะเนี่มันเป็นนิสัยพอเคยทําอะไรแล้วมันจะติดเป็นนิสัยไปแต่นิสัยของเราส่วนใหญ่มันเป็นนิสัยของกิเลสมันไม่ใช่เป็นนิสัยของธรรมเนี่ยนเราต้องมาเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนนิสัยจากนิสัยของกิเลสมาเป็นนิสัยของธรรมเพราะถ้าทําตามนิสัยของกิเลกก็ทําไปเพื่อสร้างความทุกข์นั่นเอง ถ้าทำตามนิสัยของธรรมก็ทำเพื่อสร้างความสุขคำถามจากคุณออยลี่นะครับฝึกนั่งสมาธิยุบหนอพองหนอหายใจเข้าและออกไม่ค่อยทันกับทองที่พองและยุบค่ะถ้าจะเปลี่ยนมาท่องพุทโธจะได้ไหมคะได้อาพุทโธอย่างเดียวไม่ต้องไปยุ่งกับลมเลยลมหายใจอย่าไปสนใจ เอาพุโทโธไปจะช้าจะเร็วนี่เราสั่งมันได้พุโทโธช้าก็ได้พุโทโธเร็วก็ได้ตามตามตามความเหมาะสมเพราะจิตใจเราบางเวลามันก็ชอบเร็วบางเวลามันก็ชอบช้าก็เอาตามตามความสบายของใจคำถามเจ้าคุณจิตรดานะครับเวลาคิดโกรธเกลียดเรื่องที่ผ่านผ่านมาจะทำอย่างไร ไม่มีอารมณ์แบบนี้ขึ้นคะก็ใช้พุโทโธเนี่แหละบริกรรมพุโทโธไปด้วยสวดมนต์ไปก็ได้เพื่อไม่ให้เราไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธพอเราไม่ได้คิดอยู่กับพุโทโธอยู่กับบทสวดมนต์เดี๋ยวเราก็ลืมเรื่องที่ทําให้เราโกรธไปความโกรธความเกลียดก็จะหายไป คำถามชะคุณประพาพรนะครับอยากทิ้งทางโลกรู้ว่าทางธรรมคือหนทางที่หลุดพ้นแน่นอนแต่ยังทิ้งไม่ได้ยังตัดไม่ได้ต้องทำอย่างไรภาวนาอย่างไรเจ้าคะให้สามารถตัดขาดได้เลยให้นึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆถ้าไปหาหมอวันนี้หมอบอกเป็นมะเร็งเหนือยสามเดือนนี่ยังจะทิ้งได้ไหมทิ้งไม่ได้ทางโลก ทิ้งทันทีเลยไม่รู้จะเอาอะไรแนละ้วไปเอาทำดีกว่าไปดับความทุกข์ดีกว่าหัดคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายแนละ้วมันจะทําให้เราทิ้งทางโลกได้คําถามจะคุณใบเงินนะครับสร้างทานด้วยการแจกเงินให้ลูกๆได้ไหมคะเช่นทานในวันปีใหม่วันเกิดเหมือนให้มรดกเวลาตายไป ไม่เอาอะไรไปได้จะให้ใครก็ได้ขอให้ให้กันแล้วกันขออย่ายึดอย่าติดอย่าหวงเพราะมันจะทําให้เราทุกเวลาที่เราจะต้องจากมันแต่อันนี้เขาเหมือนให้ลูกครับอาจารย์ถ้ให้ผู้อื่นจะได้มากกว่าไหมครับอาจารย์คือให้ลูกมันง่ายกว่าให้คนอื่นไงให้คนอื่นได้มันก็แสดงว่าอมันก็มีกําลังมากกว่ายิ่งให้ศัตรูได้ยิ่งดีไง ใครเป็นศัตรูเราก็ให้เงินเขาไปเลยซื้อตจมใจกันเลยวัดใจกันเลยคุณต้องการเท่าไหร่ให้เปยังไงสร้างเปลี่ยนศัตรูมาเป็นมิตรได้เลยใช่ไห ม, มด้วยการให้ทานนี่แหละสามารถที่จะแปลงศัตรูมาเป็นมิตรได้ใครมันจะใจแข็งขนาดไหนมันเจอโดนหมัดเงินเข้าไปบ่อยเดี๋ยวมันก็อ่อนเอง <c oughs> คำถามจากคุณมงคลนะครับนั่งสมาธิมีอาการต่างๆเช่นคออยู่ๆก็หักไปข้างหลังมีอาการแต่ละวันไม่เหมือนกันโยกซ้ายขวาบ้างเห็นแสงบ้างมีความสุขมากๆจนกระทั่งยิ้มเองบ้างและบางครั้งมือไม้ไปเองและเหมือนมีอีกล่างในร่างกายที่ดิ้นและอยากออกแบบนี้ต้องทำอย่างไรครับ คือถ้าเราไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจอาการเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นได้เราควรจะมีพุทธโธหรือมีลมหายใจหรือมีสติให้รู้เฉยๆให้นิ่งให้ทำจิตให้นิ่งถ้าไม่มีปล่อยมันเดี๋ยวมันก็แสดงอาการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมามันก็จะไม่สงบอย่างแท้จริงนั้นควรจะมีสติกากับใจมีพุทธโธหรือมีลมหายใจเข้าออกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ แล้วจิตยวจะนิ่งอย่างเดียวจะไม่มีอาการต่างๆปรากฏขึ้นมาคำถามจากคุณโรจนะครับการพิจารณาอสุภะนั้นเหมือนเราใช้จินตนาการว่าเป็นตับปอดหัวใจใช่ไหมคะเหมือนการเอ็กซเรย์โดยใช้จินตนาการใช่เราต้องไปดูภาพก่อนถ้าเรายังไม่รู้ว่าปับตับไตไส้พุงเป็นยังไง เราก็ไปเปิดหนังสือดูไปเปิดพระดูภาพหรือไปดูของจริงตามโรงพยาบาลที่เขามีการชำระพาศพออกมาให้เราเห็นความจริงของร่างกายที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนแต่เรามองไม่เห็นกันเห็นแล้วเราก็จะได้เกิดความความรู้เพิ่มเติมจะทําให้เราไม่ลหลงไหลคลั่งไคล้กับความสวยงามภายนอกของร่างกายเพราะเรารู้เหมือนกับ ห่อของขวัญเอากระดุจระใส่ไปในกล่องแล้วเอากระดาษห่อของขวัญสวยๆมาเพราะเปิดขึ้นมามันก็ไม่ไหวแล้วไม่เอา เ, ออเราไม่เห็นกันเห็นแต่เคาะเห็นแต่กระดาษหุ้มห่อของสวย ข, ของสกปรกที่อยู่มีภายในก็หลงรักคลั่งไคล้ ก, กันฆ่ากันตายก็เพราะไปหลงกับไอ้กระดาษที่มันหุ้มห่อของไออุจจาระ คำถามจากคุณจินดานะครับลักษณะของปัญญาที่จะตัดกิเลสได้นั้นคืออย่างไรครับก็เห็นความจริงกิเลสมันชอบเห็นของปลอมของไม่จริงต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงกิเลสมักจะเห็นว่าได้อะไรมาแล้วเที่ยงจะเป็นของเราอยู่กับเราไปตลอด ได้แฟนมาแล้วจะรักเราไปตลอดจนวันตายที่ไหนได้ไม่กี่วันเมื่อข้าวยังไม่ทันดำเลยชงหมวยคำถามจากคุณบอยนะครับถ้าเราอยากที่จะปฏิบัติมากจนเกินไปทําให้เกิดความเคร่งเครียดและการคาดหวังมากจนเกินไปอยากจะปฏิบัติตลอดเวลาจะทําตัวอย่างไรดีครับ คือให้เราปฏิบัติตามกำลังของเราถ้ามากเกินไปมันก็จะทำให้เราปฏิบัติไม่ไหวแล้วเวลาปฏิบัติอย่าไปเล็งที่ผลให้อยู่อยู่ที่อยู่ที่เหตุอยู่ที่การปฏิบัติการปฏิบัตินี่ทุ่มเทเท่าไหร่ได้ทุ่มเทไปไม่เป็นปัญหาแต่ประหยไประหยากให้มันได้ผลอย่างนั้นได้ผลอย่างนี้ในทันทีทันใดพอมันไม่ได้แล้วมันจะทอ้อมันจะเบือ่อ ให้คิดอยู่เรื่อยๆว่ากรุงลงมไม่ได้สร้างภายในวันเดียวนิพพานก็ไม่ได้สร้างภายในการนั่งสมาธิเพียงครั้งเดียวต้องนั่งหลายหมื่นหลายแสนครั้งกว่าจะได้นิพพานขอให้นั่งมันไปเรื่อยๆขอให้มีเวลานั่งบ่อยๆนั่งมากๆเอาให้เราทุ่มเทที่เหตุ ม, มีเวลาเท่าไหร่มีกำลังเท่าไหร่เอาให้มันเต็มที่เลยแต่ผลนี่อย่าไปหวังมันเลยอย่าไปคิดมันเลย คิลามันจะทาให้เราท้อได้เวลาที่มันไม่เกิดผลขึ้นมาแล้วเวลามันเกิดผลขึ้นมามันก็จะทำให้เราชลาใจได้ยันอย่าไปเด่งที่ผลให้เด่งที่เหตุดูที่เหตุทำให้มากทำให้บ่อยแล้วผลต่างๆมันจะตามมาเองต้องทำให้ถูกด้วยทำให้บ่อยทำให้มากแล้วต้องทำให้ถูก ถ้าทำไม่ถูกก็อย่างที่ผลที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยนั่งแล้วก็เกิดอาการต่างๆมาให้เห็นซึ่งไม่ได้เป็นผลที่เราต้องการผลที่เราต้องการก็คือความสงบความนิ่งความเป็นอุเบกขาของจิตความสุขอันยิ่งใหญ่คำถามเจ้าคุณรีไตพีเคนะครับโยมเดินจงกรมโดยบริกรรมพุทโธรัวๆแต่มีหลุดไปคิดบ้าง เลยเพิ่มตัวเลขเข้ามาด้วยได้ไหมคะเช่นพุโทโธพุโทโธแล้วนับหนึ่งไปจนถึงพุโทโธพุโทโธแล้วนับสิบสองไปเรื่อยๆแล้วเริ่มนับหนึ่งใหม่โยมรู้สึกว่ามีหลุดไปคิดน้อยลงสามารถทําได้ไหมคะได้ไดวิธีไหนก็ได้ที่ทําให้เราไม่ชิดนให้เราอยู่กับพุโทโธอยู่กับบาราอย่างเดียว แล้วไม่ไปคิดถึงขนมนมเนยคิดถึงกาแฟคิดถึงแฟนคิดถึงอะไรต่างๆก็ใช้ได้ค่ะคำถามยังไม่มีมาครับแต่ว่ามีรายงานครับว่าเมื่อวานมีคุณเล็กนะครับคุณเล็กสวรณีรายงานมาว่านั่งหกชั่วโมงได้ตามที่อาจารย์บอกนะครับแอแล้วเป็นยังไง ดีไหมถามช่วยแรงงานมานะนั่งได้หชั่วโมงนะเขาเขาบอกว่าไม่ได้อยากไม่ไม่อยากได้รางวัลอีก6กชั่วโมงก็มันต้องนั่งไปเรื่อยๆสิไม่ใช่นั่งครั้งเดียวถ้าแน่จริงต้องนั่งไปเรื่อยๆจนนั่งต่อไปให้มันนั่งแล้วมันสบายแล้วมันอยากจะนั่งเองต่อไปตอนต้นมันสู้กันมันก็มันก็ถ้ามีมุมาละก็นั่งได้แต่ถ้ายังขยับยังไม่อยากนั่งนี้แสดงว่าต้องนั่งต่อ นั่งไปจกระทั่งมันสบายอยากจะนั่งทุกวันอยากจะนั่งทุกเวลาอยากจะอยู่เฉยๆเวลาไม่มีอะไรต้องทำอะไรก็นั่งเฉยๆได้สบายจะตายไปไม่ต้องไปเปิดทีวีดูไม่ต้องไปเปิดหนังสือพิมพ์ดูไม่ต้องไปชงกาแฟไม่ต้องโทรไปหาเพื่อนไม่ต้องไปเล่นลงเล่นใดอะไรให้มันเหนื่อยยากเฉ <c oughs> ยๆนั่งสบายๆไม่เอากัน เขา<ถ>เขาบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งมาทำงานแล้วไฟดับเลยกลับหอไปนั่งหกชั่วโมงที่พระอาจารย์เคยบอกนั่งได้ค่ะ<ม>เสริมกำลังได้เยอะแต่นานหลายเดือนแล้วเหมือนกันตอนนี้ไม่แน่ใจ อ, อพยายามตั่งบ่อยๆทำให้มันเป็นนิสัยออแล้วต่อไปเราจะสบายเวลาไม่รู้จะทำอะไรเราก็นั่งเฉยๆไป เ, ออเวลาแฟนไปไหนมาไหนปล่อยให้เราอยู่คนเดียวล้วก็นั่งเฉยๆของเราไป สบายจะตายไปถ้านั่งถ้านั่งเฉยๆได้ไม่มีอะไรจะสบายเท่ากับการ น, นั่งเฉยๆเนาะก็เราอยู่เป็นสุขเนี่ยไอ้พวกเรามันมีกรรมกันไอ้อยู่ไม่สุขอยู่เป็นอยู่เหมือนลิงนะอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องคว้านู่นควานี่มาใส่มามาตีหัวตัวเองอ่ะคว้ามาแล้วก็ต้องมายุ่งกับมันแล้วก็มาเสียใจเวลามันจากเราไปดังั้นพยายามหัดนั่งเฉยๆเถิดดีจริงๆ จะมีกำลังมากใจจะมีกำลังสู้กิเลสได้อย่างดีแล้วจะพาให้เราปฏิบัติทำขั้นสูงต่อไปได้ต่อไปก็นั่งขัดสมาธิเลยตอนน้อยก็นั่งสบายไปก่อนไม่ทรมานร่างกายพอนั่งสบายได้หกชั่วโมงแล้วทีนี้ก็ลองนั่งขัดสมาเจ็บก็ไม่ขยับมันเพิ่มกำลังสู้กับมันถ้าต่อไปเราไม่กลัวความเจ็บล้วสบายร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะไป เป็นโรคภัยแค่เจ็บอย่างไรนี้ไม่ต้องกินยาแค่ปวดเลยรับรองได้เพราะมันปวดไม่ถึงใจมันอยู่แค่ร่างกายเท่ น, นั่นเองมีเข้ามาอีกไหม ม, มีแต่ไม่ชัดครับแต่ว่ามีถามมาว่าโยมแม่อยากจะไปปฏิบัติธรรมที่เขาชิโอนสามารถทำได้ไหมคะออบนนี้ท่านที่บนนี้มันที่อยู่ของพระ ถ้าเขาชีโอนก็มีของป่าไม้ก็ต้องติดต่อที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอนดูเขามีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่จะจัดบ้านพักให้อยู่ได้อ่ามีคําถามนะกราบประนัติสการ์กับพระอาจารย์กราบประิสการกับพระอาจารย์ถ้าเรามีความคิดอยากจะพ้นทุกความอยากนี้ถือว่าเป็นกิเลสไหมคะอ๋อไม่เป็นอ่ะอันนี้เป็นธรรมไง เมือนกับคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยากจะหาจากการเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่อยากหาก็ไม่ไปรักษาถ้าอยากพ้นทุกข์ก็ต้องไปปฏิบัติธรรมอะอันนี้เป็นความอยากทางธรรมไม่ได้เป็นกิเลสไม่ได้อยากในรูปเสียงกลิ่นรัไม่ได้อยากมีอยากเป็นคนละอยากกันครับแล้วค า, ารวะนี่มีสิทธิ์ที่จะไปได้ทุกคนได้ทุกคนอยู่ที่ถ้าเรา ถ้าเราบวชมันจะมีเวลามากกว่าถ้าเราเป็นคารวะเดี๋ยวเราก็ติดภาร ะ, น, าระานุ่นภาระในทันใดก็จะช้าหน่อยหรอคะถ้าเราเป็นคารวะแล้วไม่มีภาระก็ปฏิบัติได้เหมือนนักบวชอาจจะเร็วกว่กานักบวชเพราะนักบวชมันคนมาบวชแล้วไม่ปฏิบัติก็มีมันไม่ได้อยู่ที่เป็นนักบวชหรือเป็นคารวาะสื่อที่เวลาที่ปฏิบัติมากหรน้ อ, นอยคืออยู่ที่บ้านก็ทําได้ถ้าเราทําอ่ะมันก็ได้ ถ, ถ้าอยู่ที่บ้านไม่ทํามันก็ไม่ได้ อยู่ที่การกระทำว่าเราทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองคิดว่าตอนนี้พึ่งหลังแตกพอดี <c oughs> มาแล้วก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิชพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ